ทุกขันที่มาจะลืมเกตนาของตนที่มุ่งมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุม เราน้มเชื่ อ, อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นของประเส ร, ริฐรดเล็วยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรักสมนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบุ โดยจะปลุกเรื่องภาระที่เป็นสิ่งกัดข้องหรือค่าสิบ์ต่อการบําเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละาเว้นในจิตที่โลกทั้งหลายทมกันแต่หาประกอบบําเพ็ญธรรม ตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกข์กขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมัน่นเพื่ออาจเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเวทนาของกลุ่มอย่าได้ลดลักระทุกยากลำบากเพียงไรอย่าให้วิเหลสแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความพ่อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้ นุ่มห่ออยู่ภายในใจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนรรทำที่ทั้งๆ ท, ที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแซงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัดเป็นทำรรอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติ ระมัดระวังตั้นไกผท่านกล่าวไว้ในธรรมมากการบวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะปรปพฤติปฏิบัติตามหลักส华侨ธรรมก็เป็นของยากเป็นว่านานความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าคือ เอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะน่ายิ่งกว่าความเป็นดูความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชขพองานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียล่มจมต่างๆ ไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระ และด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทําอย่างนั้นให้ต้องทําอย่างนี้แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลําบากก็ลําบากด้วยการบังคับสิ่งชั่วช้าละมบภายในจิตใจของตน ให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการนำเนินการงานของพระถ้าตามอัดตามทำตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องตน้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับ โดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นผู้ใดหม า, ายถึงงานแต่ความเป็นอยู่ก็ง่ายสะดวกสบาย ผูดถึงการสนับสนุนของประชาชนจนศรัท ธ, ธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่พาะว่าเรานั้นรู้สึกเจอเดือเฟือ่อเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจดนทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่ีวรบินตาบาทอาหารการบริโภค ที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการใช้สอยของพระตามหลักแห่งศาสตราแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟือยไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหือหือ กันเป็นกิริยาลึก์เรื่องของโลกเข้ามาแสงซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่เมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริม เพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมารีดมาไถ่มากดขีดข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทําอย่างนี้อยู่ด้วยความสะดวกสบายในเอียบท่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความรำไรและวางบุญจากผู้ ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญก็เป็นอิสระความเป็นอยู่ก็เป็นอิสระนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยจีดขวางคอยกั้นกลาง คอยบีบบังคับเพราะเคยมีอมนาจมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีกตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัด ต, ต่อธรรมเจ็นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาสิขาบทวินัยน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสควายต่ำ พาให้ยากพาให้ลำบากจีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความเห็นดีเห็นชอบขึ้นเดินบันเทิงไปกับอารมณ์เหล่านี้อยู่ แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของมันทุกๆเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมปีตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภักเพียนจะยากลำบากเพียงไรก็เป็นไปได้วยความเต็มใจเมืความเต็มใ จ, ค ว, มมใจความพอใจความรักใคร่ในงานใด มีอยู่ประจำใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลาบากอย่างไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมว่าเป็นของยากเป็นของลาบากเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้น<ม>เหนือ ม, มีอำนาจินกว่าที่จะมาถือความลาบากลาคาญ น, นี้มาเป็นอุปสรรคยจึงคล่องตัวในการกระอบความพาเพียรอดก็ยอมอด อีมก็ยอมรับว่าอืม่มถึงค้าวที่จะอดก็อดถึงค้าวที่จะอิ่มก็อิม่มถึงค้าวลาบากก็ต้องลาบากถึงค้าวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนหนึ่งการฝึกผนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมาก ยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการขีดขวางต่ออดต่อทำทางเดินเพื่อความพุ่งทุนอยู่เสมอนี้ายตามปกติ ย่อมถูกกดท่วงอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไร่ันจึงเรียกว่าอคินไตอคินไตยอยู่ไม่ควรไปคิดไม่ควรไปคำหนึ่งว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไหร่วิเลเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจหรือแทรกสินจิตใจพาให้เกิด ให้ตายนี่มานานเท่าไหร่เราอยากคิดให้เสียเว ล, เวลาท่านเรียกว่ากินไตไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทํากิจใจให้ทอดแท้อ่อนแออนันเป็นเป็นฝ่ายของกิเลเปล่าๆเช่นเดียวกับน้ำยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าน้ำนี่เป็นน้ำสักคุลใดมีอยู่ที่ใดต้นลาของหมัด และเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่ง ท, ท, ที่ถูกก็คือรีบถอนน้ำออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความผิดต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังยออยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตาม เกิดมาช้านานเทยงไรก็ต่าไม่ต้องไปคำหนึ่งให้เสียววเวลายิ่งกว่าการถอดถอนน้ำคือพิเลตนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลัง เท้าหาเรื่องหาราวของเองกียดประเภทต่างๆที่กลุ้มดุ้มจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นหนามยอกเท้ากว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ําไม่ยอมถอนหัวหนามออกถามค้นคว้าหาตะกุลหนามอยู่สยอะแตะ่ไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเฟเสียไปหมด ทางฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยให้เสียไปด้วยการคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยปัวพันกฎถีบังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กับใดกันใด น, นั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องน้ำว่าเกิดมาจากสกุลใดน้ำประเภทใดนั่นเอง อันในที่เป็นอาถานพพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวขาดธรรมตราสไว้ชอบสิ่งที่ไม่ควรเขาบอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไป สิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักทำท่านก็กล่าวไว้ว่าอาตีตงังอาตีตังนานนวาวรมิยะนับปฏิกัรเทานากตังปัจจุปนันตะโยธรรมตถาตถาิถา ป, ปัสสตินี่ย่นเข้ามาอาดีตที่ร่วง มาแล้วนานเพียงไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งไปเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลาอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสม อันเป็นทางหลุดพน้นนี้เท่านั้นแม้จะพิจารณาถึงทางด้านอนาคตก็ต้องย่นเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นอยู่เวลานี้เป็นผู้รับภาระทั้งมวลไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าจิตไปคอยฟ้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบกหาม และได้รับความทุกข์ตุนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนห้พิจารณาในวงปัจจุบันการปฏิบัติธรรมให้เล่งอัดเล่งธรรมเล่งขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทาน ไว้แล้วอย่างใดเป็นหลักเครื่องดําเนินของใจอย่านําสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาขีดมาขวางมาทําลายกิจการงานอันชอบธทมของตนให้ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทาง น, นี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมุติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เต็มภูมิก็คือความภาคเพียรและอัธรรมที่เราต้องการ ลงพยายามบำเพ็ญให้เต็มภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเจียดแทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยนี้ให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับกําดาด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี้ นี่เป็นเครื่องมืออันทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลําดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นภพความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้ เคยล่มจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยของทุกนี้ด้วยกันทุกรายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลบรรดาที่มีวิญญาณครองเป็นแต่เพียงไม่ทราบความเป็นมาของตกและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออกเท่านั้นจึงยอมจมกันอยู่ สิ่งที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประมีอยู่ประจำจิตใจของสัตว์โลกโกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิศจะเลอก็เลิศไปแล้วพิเศษที่โสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้ มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีชิ้ดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมุตินี้ทมท่านกล่าวไม่ว่าพระเสริฐเช่นโลกุตรรัตธรรมทเหนือโลกต่างเดียวอะไรที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏ เป็นโลกด้วยกันทั้งหนังไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดของกาเนิดแห่งสัตว์ที่เกิดตามอำนาจแห่งกรรมของตนตั้งแต่อรกมหาเวกีขึ้นมาจกนกระทั่งถึงพรมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทาวาสห้าชั้นได้แก่อวิหาัตปาสุลสาสุทัสสี ยังมีสมมุติแฝงอยู่ท้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกุตละอันสมบูรณ์เต็นแต่เพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งโลกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระักิตาคาพระนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตละ อย่างเต็มภูมิได้แต่อรหัสตบภูมิหรืออาหารตะผลนี่คือทำเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำหนักจนถึงขั้นสุดยอดมีเท่านี้ที่เป็นที่เหนือโลกได้นอกนั้นไม่มีจะละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมุติตามขั้นภูมิของตน เมื่อสมมติยังมีแทรกอยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรพึงทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั้นละเอียดมากน้อยปต็ตามตามกันไม่บริสุทธิทุทโทเต็มที่เต็มฐานเหมือนอิที่บริสุทธิแล้วที่เรียกว่ารหัสตะปูอันเป็นธรรมอิทเป็นธรรมเหนือโลก โดยถ่ายเดียววที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงหุน่นไปจากพระทยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเยทียวก็เทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรม ภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแหล่งแห่งสมมุลนี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมมติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระไทยไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระไทยอย่างเต็มดวงแล้วนั้นขึ้นมาว่า โลกุตระธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้วิเสษกว่าโลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกวันเหนือนี่เหนือโดยประการทั้งปวงนี่คือศาสตราองค์เอกได้ประกาศสอนไว้เราเป็นลูกจิตพระพุทพธเจ้าองค์เอก การดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เขาร่องเขารอยทางของศาสแห่งทางขอ ง, ง, งศาสดาที่ทรงดำเนินมาและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สามวกแต่ละองคละองค์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตรธรรมแล้วทั้งนั้น ไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมุติใดแม้ละเอียดก่อนที่สุดเป็นท่านภูมิเสรล้นๆวนแล้วทั้งนั้นทมก็เป็นโลกุตตรรรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดสมืเหมือนนี่เราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้ เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทำํำตึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทํากันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ผ้ากาสาวพัดมุ่งเหลืองของหลืองคนผมโขนเชี่ยเท่านั้นใครก็ทําได้ไม่เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและประกาศให้ตนได้ทราบและตักใจว่าเป็นเพศนี้ เหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายแต่เพราะอย่างยิ่งสติเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูก สัมผัสกับสิ่งต่างๆสติรกักษาจิตเสมอเกี่ยวเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใด ห, นหนูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ ตลอดถึงจิจที่เกี่ยวกับธรรมอารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์ได้ผลมากน้อยเพียงไหรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งหล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอูโดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกการมุงสารก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสจัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นํามาพิจารณา นำมาคขี่ไคลจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกเลี้งกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเงสัมผัสเป็นผู้จะออกจากทุกผู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากความสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบางครับ ไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดความปุงไม่คิดไม่ปรุงคําว่าไม่คําว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรพราะจิตมันติดสิ่งเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเป็นความคิดความเห็น ความดูความ่ำเป็นอัดเป็นธรรมเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งผลักดันดูภายในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ากระหายน้กระหายน้ายนอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลส ต, ตัณหา ไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดแบบับทวีคุมด้วยเห็นนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องกรันต้องกรองให้ละเอียดละอออยู่ภายในใจของเราเสมอ น, นี่เรียกว่าทำงานทุกทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลก เดินไปก็ให้มีตส้ประครับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบทำผู้มีธรรมรักษาใจ <c oughs> และพิจารณาตรตรองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริง นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนยาเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ด, ด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากได้สัมผัสนั้นคือเสียดายกองถูกเสียดายฝืนเสียดายไย มาเผาลุนปิดใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานสัตว์โลกมานานแล้วทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พุยจ้าทรงส่องสอ น, นอันเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์ฝืนกันเสมอจึงชื่อว่า เป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้สิ่งใดที่เป็นความราบรื่นเป็นความชอบตามปกติที่ใสของจิตใจสามัญคนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งมวลให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหกักต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุ ก, ก็ยอมรับว่าทุกไม่ต้องสงสยัย ว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเทิดถูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามที่จะให้เราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ความทุกข์ที่เป็มไปด้วยความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสาคัญของผู้ปฏิบัติให้ปักใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลาย กฎขีบังคับในอิรยิยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้สุดพ้นทุกไปแล้วและประกาศสอนทำไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธกาตุสามแดนโลกธาตุนี้ เพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ากลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยไปหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพัสภายในใจรสของกิเลสที่ผิดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพั์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันพอทุ่มนลแล้วเนี้จะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมผมขนาดไหนก็พอจะทราบ แต่ทุกเพราะการมาเพนทำหรือทุกเพราะทำนี่เรายัางไม่เคยทุกเพราะทำนี่คืออะไรเพราะความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำย่อมเป็นทุกข์บ้างให้ยกศาสดามาปเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้วต้องยกท่านผู้ดี ยกท่านผู้เลิศยกธทำที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องถุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่าทําลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้ปลิพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภท ที่ก่อควรทำลายยุคแย่บีบบังคับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเกี้สตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติเรียกร้อยตามมันนั่นเลยเราจรึงไม่ควรเชื่อมัน จ, จนฝังใจความฝังใจเพราะการเชื่อมันนั้น ก็เป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกรองอย่างสนิทขอให้ทำได้กรองใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียร น, นี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกัน เพราะไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นๆเวลานี้ที่มันมีความทุกข์อยู่เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้จึงต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังคิดที่ไม่สงบพยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกกิถีทางแห่งความฉลาดความเยียบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งกสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติฉละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุไปผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภ า, นายในจิตคือความสงบกุญแจทาไมจะมีไม่ได้แต่นอกเหนือ ศทาวิรยสติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จํานวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทําทันสมัยและเหมาะสมกับการปราบที่เหลียดอยู่ตลอดเว ล, ละ่ะทำไมเรานํามาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นภัยต่อเราและกลายไปเป็นคุณต่อที่เลียดมีที่ไหนกันไม่มีสงบได้แค่ไหน อุบายงปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันควรเหมาะสมกันแค่นั้นการพิจิตรพิจนารณาตามโอกาสที่เรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไรให้ใช้ ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อไรอ้าทั้งหน้าตั้งตาทำลงไปไม่ผิดไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับลําดาเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นประมาควรจะพิจารณาแยกแยกแะด้วยสติปัญญาขนาดไหน หาดผลเพียงไหนเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็ เ, เอาให้สงบให้อยู่ในเงื้อมือของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเพของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆนั้นสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโคติมหานิสัางซาปัญญาที่มีสมาธิอบรม ย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาปริไปไปไปไปไปไปไาไปไปไปไปไปไปไิไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปเปไปไปไปไปไปไปไปไป็ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปาปไปไปไปไปงปไปไปไปไปไปไป ที่ท่านพูดเป็นลำดับลำดาไว้อย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานาจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณเจ ะ, จะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เป็นหลักสำคัญ ราะกิเลสแท้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลําดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสถูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวล ทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดขณะใดควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันซึ่งมันซึ่งมัน ไ, ไม่มีการเรียงคิวเราจะไปปฏิบัติแบบเรียงคิวอยู่นั้นลูกนั้นคํานี้ไปเท่านั้นเอง ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อผู้กับกิเลสยอมจะทราบเรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวทําท่า ส, า ส, าสาักๆเพื่อกิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มี ท่านผู้มาศึกษาสับปนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องและอธิบายทั้งๆสักแอู่่เสมอการทำกิจให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำอะไรที่เป็นที่ถนัดใจสนิทกับใจเหมาะกับจริตของตน ให้พึ่งนำทำนั้นมาบริกรรมภาวนานี่เช่นพุทโธพุทโธหรืออัติอัติว่าอัติอัตติกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอยู่นั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัติอัติเท่า น, นั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถรสงไปที่ไหนมีสติกำกับนานของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจ ก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆ น, นอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนทา น, นั้นเนี่แล้วจิตก็จะสงบาว่าปัญญาคือการอสอนสอนคืออาการแห่งความแยคลายของจิตพินิดพิจารณาแง่นั้นแง่นี่ทดสอบเหมือนกับบวกลบปุญหฐานนี่เรียกว่าปัญญา เริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้ เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็จะยกส่วนใดก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือผนหรือเล็บหรือฝันหรือหนังแต่พอยาญยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะความจริงเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้โดยแท้นาอะไร ไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังออผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ้มหอกกองปฏิกูลไว้ทั้งทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเหล่ามองไม่เห็นเลยสิ่งบางๆเท่านั้นมันปิดนัครางตาไว้เท่านั้นเลยบูดตาฟางก็มืดมิดปิดตาเพระอาจารยท่านจึงสอนว่าตะโจูตะจูพระจะปริยนโต นังหุอยู่เท่า น, นั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาที่จริาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เต็มไปด้วยมูโดโอดเดไอ้คูดสงของสองกรปรกอยู่แล้วพวกเนื้อพวกใครมันก็เป็นน้ำขี้เนื้อขี้ใครก็มันก็เป็นขูดอยู่แล้วดูเข้าไป บ, บังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันตะเละตะไหลไปไหนติดต่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายอันเดียวกันสัจธรรมอันเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากําหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แม่นดันที่นี่หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิ่แกนะ่ะ ว่าสูงไปต่ำไปเป็นต้นยาไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นแล้วเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอนาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดังจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมาย ให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่าไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายนี้พิจารณาหนังแล้วพิจารณาหนังบางทีขยายตัวออกไปหมดทั้งร่างใ ย, ยโตขึ้นใ ย, ยโตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูให ย, ยขนาดไหนผู้รู้มีอยู่ครอบไปหมดนั่นแหละมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบครอบหมด มันจะครอบโลกธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุพังคือร่างกายของเรานี่แหละดูมันถ้ามันติดติดแนบอยู่ตรงนั้นมันจะสูงจะต่ํำยาวไปสําคัญให้สําคัญอยู่ที่ตรงรู้อ้าวหนังจะค่อยเปื่อยค่อยพังไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่ง ที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสม อ, อยาไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปหรือร่างกายนี่มันแตกแตร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้น ะ, ะก็มันจะแตกอย่างนั้นนี่น่เราพิจารณานี่ปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนอย่างทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนพิ จ, พจารณ า, าได้อย่างชัดเจน แต่กิเลสมันหลอกเราว่าสวยว่างามทั้งๆ ท, ที่มันของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทําไมเรายังยอมเชื่อมันทีนี้เราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทําลายพังทลายลงไปหมดทั้งร่างนี้ทําไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมนะครับ ปิกกั้นทำไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงปาดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริงหึงความเป็นปฏิกูลมันเป็นไปหมดทั้งเรื่นี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมั่งรูปคำคำว่ามันสวยมันงามอยู่ได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฟ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาัตตามธรรมแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นอ้าว สินาะคเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนั่นแล้วอนัตตาทั้งนี่คําว่าอนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราขู่ถึงปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไงถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลสดมูลแห้งอยู่ตามถานนริทาง ม, มันก็เป็นได้แล้วสิถ้ามันเป็นของปฏิกูลด้วยกัน อันนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นทัดตามความจริงแล้วคําว่าอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถึงมั่นนั้นมันเกิดขึ้นจากกิเลสหลอกให้เราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิกูลกองอสุภสุภังปา่าช้าผีดิบนี้ให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอม ให้ปล่อยให้วางไม่ยอมไม่เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันออกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชาัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกาย ร, ร่างกายที่พิจารณารอบแล้วนี้นั้นอุปท า, านจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออฮะนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญา ไห้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปทางนอกก็ดูทั่วโลกกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดมีอะไรผิดแปลกต่างกันพอที่ใหญ่ติดอกติดใจเพลิดเพลินลื่นลื่นแต่กำมันเมื่อความรุ่มรุ่งหลงหลงที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญามันจะได้ด้วยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็น ตามสดิจนิสัยของผู้พิดเร็นนะ่ะจะเอามาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้ใดยอย่างทายตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละรายที่จะหาความเนี๊ยบคาต่อตอนเองเพื่อตัวเองให้ได้ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายนี้หนะักเป็นสาคัญต้องพิจารณาถนัด้างนอกเอา้างนอก ให้ผิดตั้งขึ้นกำหนดแตกทำลายลงไปตั้งขึ้นมาอ่าแตกทำลายลงไปตั้งขึ้นมาแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในกำหนดเรื่องของตัวเองแตกทำลายลงไปเช่นเดียวกันเทียบกันได้ทุกขัดทุกส่วนแล้วหลงนอกหลงในที่ไหนมันเป็นสภาพอันเดียวกัน น, นี่คือปัญญานี่พูดให้ฟังเพียงเอกเทศ หรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกแยะพินิจพิจารณาตามสติกำลังหรือจริตนิสัยของตนนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคําว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกั็ดูกับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยบคายแก่ตนเองพูดถึงการพิจารณาทางวิปัสสนา นท่านเดียกว่าปัญญาวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี่เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นมีนีเห็นแบบอวิชชาวิปัสนานี้เห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบกแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรม ยิงต้องพลิกความรู้สึกอันเป็นฝ่ายชีเด็ดควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือสติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี่ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาเราถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเราเนี่คืองานของพระ ให้เป็นอย่างนี้ึงเรียกว่างานของครับพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์มันต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วนหลงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นันเองสภาพร่างกายนี้ก็กอง รายลานี้เกิดตั้งอยู่ดับไปตามการตามเมือตามปัใจจัยทั้งมันที่สืบต่อกันไปได้มากน้อยเพียงไห่มันก็สลายตัวลงไปเท่านั้นยางเรียกว่าอันนี้จังอะมีการพิจารณาปัญญ า, เ, าเวลาจะพิจารณา กะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคำัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจรารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจ ถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้ทั้นนั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งไปหมดนี่การพิจารณาเบื้องตน้นภาวนาเบื้องตน้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับโดดเข้ากอไผ่น้ำหนามทั้งกอ น, น, น มันแลกไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกลําบากเพียงไรมันก็เพื่อก็าเพลือพอทำไปทั้งนั้นพ้ารู้วิธีทําำแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยถึงเรื่องของขันด้วยขันทะแปลว่ากองแปลว่าประเภท หรือแปลว่ามวดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกเราถอกองกองทุกหนึ่งนี่มันถึงใจถ้า ว, ว่ากองทุกตั้งแต่พื้นเท้าถึงที่ศักันกองทุกทั้งนั้นทุกอยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งเหล่านี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจ มันเป็นแร่รากโดยการมันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งือความจริงอันหนึง่งสังขารสัญญาความหมายหมายออกมากจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้ก้าวในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งหนานี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกัน แม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจากกรณาทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแต่ในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงในสภาพที่เราเคยติดเคยค้องเคยสนสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสําคัญกว่าอื่นที่เรียนแนะไว้ก่อน เพื่อให้เป็นที่เข้าใจอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติวงขันหานี้ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษซึมซึมออกไปเป็นหมายได้เป็นผ้าพึ้นมาได้อย่างสมร์สังขารนั้งยับมาเป็นความคิดความกลุ่แต่สัญญานี้มันเยอ่มไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแล้วปิดไม่อยู่มันรู้เอง เมื่อรู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้สติปัญญาพอขันยินญานแต่ละอย่างอย่างก็ขันเห็นยินญานก็รับทราบย้ยเย้ยย้ทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตาหกับผู้เสียงกลิ่นรถท่านมันก็ดับไปดับไปตามสิ่งที่นั้นตามสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยนั่นก็มีเท่านั้นมีการพิจารณา งานของพระเอาให้จริงให้จัก ง, งานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาทรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันประเที่ยวปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายในตัวจำปล่องล็อกสัตว์โลกมันสามโลกกระถาไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้ ถ้ามันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดถึงเหมือนกันกันกบเรือนจำให้ะจะว่าดีว่าดวาิว่าสุขว่าสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าชื่อว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจํานั่นแหละมันสักแต่ว่านู่นผู้เขาไม่ติดคุกติดตลาดต่างหากเขาจะชื่อว่านายสุขไม่นายสุขก็ถางคนนั่นเป็นอิสระ กว่านักทษในเรือนจำนี่ก็จิตมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัตตะวนนี่แหละพิเรเป็นผู้บงการพิเรเป็นผู้ควบคุมพิเรเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบสีไฟหาความถูกความสะบันไม่ได้อาจจะตายแต่จริง มันก็เอาอาหารเครื่องล่อรวงนั้นมาหลอกใช่ัหมให้พอให้เพิ่มนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างไนเมื่อในพิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันปักเสียบไว้นี่อย่างโดยตลอดทั่วถึงแล้วกิเลสมันก็แตกบ้านแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละ เป็นสิ่งที่พาให้ชนะชนะมันก็ได้โดยลําดับลำดับเผาเข้าไปกรงุงรูปเผาเข้าไปตรงเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเผาเขาไปที่สัญญาเผาเข้าไปที่สังขารเผาก็าไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกแล้วเอเข้าไปอืมเผาบ้านของมันมันก็มีที่อยู่เอเว่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิม ที่ฝังเชื้อของมันอย่างจงมิดนั่นก็ตปะปธรรมเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทันสมัยนั่นแหละเรียกว่าตปะปธรรมที่ทันสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหมือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยทายได้ยุกิเลสหาที่ตั้งบ้านตั้งเนอนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดที่นี่ กิกเลสเป็นผู้พายเกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันในภกน้อยภกใหญ่ถูกตปรธรรมคือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวาสานถึงขั้นเปลียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นกิเลสหมดทีนี่เผาบ้านกิเลสหมด ทายในหัวใจนี้เป็นตุจุดท้ายเมื่อกิเลสถูกเผาแหลกหมดด้วยกุศลธรรมาคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้วนั่นแหละผลคือทรรมอันประเสริฐที่ท่านว่าโล ก, กุตรธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วขี้ใจใจกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว น, นั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนคนคือเราแต่ก่อนก็ตําช้าเร็วสามก็คือเราโง่เง่าเต่าตุนก็คือเราไอ้กิเลสเยียบอยู่เหมือนมูดเหมือนคูดก็ก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กรเก่านี้เหนือกิเลสกิเลสหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตนั้นก็ไม่มี นอกจากว่าเหนือสมุติที่มันมี่เท่านั้นทำเพียงเดียวโลกุตรธรรมคือทำเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางาศาสนาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้แหลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรทำที่ประทานไว้นี้เป็นทำที่สดสดร้อน เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกอณาจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยข้าขอทุกท่านจงฝังให้ลึกในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานันว่าเป็นธรรมจะปราบกิเลสให้บนรลายโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ท่า น, า น, านเราให้หนักแน่น ทำอะไรให้จริงให้จริอยาเราแห ล, ล, ล, ละเราเลยเกงเก่งก้างก้างทุกสิ่งตัวอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายใน ين. นี่แหละคือผู้มีความเปลี่ยนผู้มีสติผู้ไม่ลืมตัวอือคือ ง, งนี้พื้นฐานที่จะให้ยุทธะทุธรรมขึ้นอยู่กับความไม่ไม่ลืมตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่าง เป็นแถวไปเลยไม่มีวกักใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหะถึง ท, ทําเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาภพเผาชาติของเกลียดให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถิดอยู่ในชั้นกลางแห่งขันแห่งสมมตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ขันไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่าน ว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลานั้น่ออยู่ในถ้ำกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุเดนสมุดเป็นเดานสมุดวิมุติเป็นวิมุตธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในถ้ำกลางแห่งขันแต่ไม่ใช่ขันหากเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะของตนต่าง จงทตั้ง อ, อกตั้งใจ น, นิสัเจริญอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติทมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเนาราสลาค จะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิม์มุตดุดพ้นเต็มดวงใจนั่นคือเห็นตถาคตเต็ม อ, อกโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็อย่างนี้นสมควรดเพียงท่า น, นี้